มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคปุณปฏิสันทีขหาหนะปัญหาที่เจ็ดถามว่า พระผู้เป็นเจ้าจะถือเอาซึ่งปฏิสนธิคือจะเกิดต่อไปอีกหรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเษณผู้เป็นเจ้าพระนาคเษณผู้เป็นเจ้าจะปฏิสนธิเกิดอีกหรือหามิได้พระนาคเษณถวายพระพรแก้ไขว่า มหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าอาตมามีอุปาทานอยู่ก็จะเกิดใหม่อนุปาทานโนถ้าว่าอาตมาหาเชื้อตันหาไม่ได้ก็ไม่ปฏิสนธิเกิดอีกต่อไปขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละนะครจึงมีสุนทรพจนานาพระภาทว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดราชบุรุษข้าไพรฟ้าฝ่าละองทุลีพระบาทแห่งบรมกษัตราที่ราชผู้หนึ่งนั้นหมั่นพักดีอุสาหะกระทาราชการสมเด็จบรมกษัตราที่ราช กประธานรางวัลทาตกรรมกรผ้าพผ่อนเงินทองให้แก่ผู้นั้นและราชบุรุษนั้นได้รับพระราชทานรางวัลชนี้ก็ปรีดาบริโภคกามคุณห้าสบายบุรุษผู้นั้นจะบอกคนทั้งหลายหรือว่าสมเด็จบรมกษัตริย์ชิงชังหาประธานมางวันไม่บุรุษผู้นั้นจะบอกได้หรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่า บุรุษผู้นั้นมิอาจจะบอกได้พระนาคเสนรจรึงว่าความนี้ไซยฉันใดก็ดีอัตมานี้มิอาจจะออกปากได้อันหนึ่งบอพิษเล่าก็ไม่ควรที่จะถามถามเพื่อประโยชน์สิ่งไรปฏิกิจเจวะดังอัตมาจะสำแดงบอกโดยไหนให้แจ้งพระไทยสะอุปาธานโนถ้าอัตมายังประกอบด้วยเชื้อตันหา อาตมาก็จะปฏิสนธิเกิดมาใหม่อนุปาทานโนถ้าอาตมาหาเชื้ออุปาทานไม่ได้ไม่มีเชื้อตันหาอาตมาก็จะไม่ปฏิสนธิต่อไปส่วนพระเจ้ามิลินปินเวียงชัยฝังพระนาคเสนบอกในก็มีพระไทยโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้านี้กล่าวถ้อยคำสมควรในการบัดนี้ ภูณะปฏิสันทิขหนปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้